สรุปทบทวนว่าผู้ใดที่ยังให้ทานยังรักษาศีลอย่างเจรเนฆะธรรมะยังเจริญปัญญาอยู่ได้อย่างยาวและต่อเนื่องเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนมีขันติมีความอดทนอย่างหลายท่านบอกอฟังรู้เรื่องมบ้างไม่รู้เรื่อ ง, งบ้างก็โอ้โถนะ่ฝนตกแดดออกก็อดทนจะร้อนจะหนาวจะเย็นก็ยังอดทนลักษณะนี้ก็เรียกว่าอดทนคำว่าอดทนนี่กับ อดทนหมายถึงว่ายังเจริญกุศลธรรมรักษากุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องในทางศาสนาเนี่ยทำไมเขาจึงสรรเสริญบอกเออพระเทระพระเทระเทระมาจากคําว่ามั่นคงมั่นคงหมายว่าโอ้โทนแดดทนฝนมาตั้ง10ปีในการเจริญกุศลธรรมได้สิปีนี่ก็เลยเรียกว่าเทระว่างั้นทนทั้งสัตว์และสังขารทั้งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีก็เลยเรียกว่า เระเรียกว่ามั่นคงถ้า20ปีขึ้นไปมหาเีระเลยบอกอมันคงจริงๆอ่ะนะมั่นคงใหญ่มากว่างั้นจะทนดูทีนี้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าลักษณะอันหนึ่งของขันติก็คือการตั้งอยู่ในอโทสะจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในอาการของอโทสะอันนั้นแหละเรียกว่าขันติคือคนที่อดทนอยู่ได้ก็คือไม่เผาไม่ประทุษร้ายบุญของตัวเองขณะใดก็ตามที่เราให้ทานแล้วเราขาดความอดทน ขณะนั้นเราก็จะเผาบุญตัวเองทิ้งไปพอสมควรเลยแหละเนี่ยนะขณะที่เรารักษาศีลแล้วมีโทสะเราก็เผาศีลของเราทิ้งขณะที่เราเจริญกุศลเนคขัมมะเจริญเมตตาเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาโทสะเกิดขึ้นก็เท่ากับเผาบุญของเราในขณะนั้นก็ทําลายผลประโยชน์ตัวเองมากมายขณะที่เจริญปัญญาเนี่ยนะพอโทสะเกิดขึ้นก็เผาปัญญาขณะนั้นท่า น, น คนที่ขาดความอดทนนั้นก็คือเผากุศลธรรมทั้งหลายเวลาเจริญกุศลธรรมก็เผากุศลธรรมเหล่านั้นทำให้กุศลธรรมเหล่านั้นเสื่อมหายไปอันนั้นแหละเป็นเป็นลักษณะของผู้ที่ขาดความอดทนเนี่ยนะขาดความอดทนเมื่อขาดความอดทนก็เลยทนไม่ได้ก็เลยเผาบุญกุศลเผาคุณงามความดี นะเผาทานเผาศีลเผาเนคัมมะเผาปัญญาแล้วก็เผาวิริยะของตัวเองเผากุศลธรรมไปอันผู้ที่มีขันตินั้นก็คือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามประคับประคองกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปได้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพิ่มพูนไปอย่างดีต่อไปสัจจะบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีก็คือการพูดไม่ผิดมีวิรัตเจตนาเป็นต้น สัจจะบารมีก็คือพูดว่าจะให้ทานก็ให้จริงพูดว่าจะรักษาศีลก็รักษาจริงพูดว่าจะเจริญเนคขมมะก็เจริญจริงอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะว่าจะมีความอดทนคือพูดคําใดแล้วต้องเป็นคํานั้นพูดว่าจะเจริญกุศลก็พูดจริงก็ทําจริงด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดว่าจะบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าคําพูดนี้ก็เป็นคําพูดที่จริงจะไม่มีคําว่าเปลี่ยนส่วนอันต่อไปคืออธิษฐาน อธิษฐานก็คือการสมาทานตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวการสมาทานเนี่ยนะตั้งใจสมาทานสัจจะก็คือพูดใช่พูดว่าจะทาอย่างนั้นอธิษฐานอธิษฐานก็คือการสมาทานสมาทานในการทำกุศลว่ากุศลที่เราจะต้องทำเนี่ยทำกุศลทุกชนิดเท่าที่จะทำได้กุศลไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ทำก็จะทำาน่นะอย่าลืมว่าเดี๋ยวต่อไปนีจะมีว่าบารมีทั้งหมดที่ท่าน ท่านทำท่านอะไรเนี่ยผ่านการคิดมาหมดแล้วผ่านการตรวจสอบผ่านการสรุปทบทวนมาจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วพันที่เหลือก็คือสมาทานว่าจะทำได้ยังไงจะทำได้ยังไงจะทาได้อย่างไรพราะการตั้งใจสมาทานที่จะประพฤติบา ร, รมีทุกข้อตั้งใจสมาทานที่ว่าเราจะต้องให้ทานจะต้องรักษาศีลเราจะต้องดำรงมั่นอยู่ในกุศลทานกุศลศีลกุศลในธมะกุศลในการเจริญปัญญาจะต้องดารงมั่นจิตใจเนี่ยคือ ให้ใจเนี่ยเป็นฐานแห่งคุณธรรมเหล่านั้นหมายความหมายอีกในหนึ่งก็คือเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอธิษฐานก็คือบอกว่าไม่มีฐานรองรับกุศลธรรมไม่มีฐานรองรับฐานนกุศลไม่มีฐานรองรับศีลกุศลนั้นการสมาทานเนี่ยเป็นเหมือนกับฐานรองรับกุศลธรรมมั้นก็เลยเกิดการอธิฐานสมาทานบ่อยๆ ตั้งมั่นอยู่บ่อยๆในการประพฤติบารมีเหล่านั้นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นอุปการะต่อบารมีก็สมาทานถือเอาสิ่งที่เป็นอุปการะต่อบารมีเช่นว่าอย่างว่าตอนนี้ยังไม่ให้ทานแล้วสำคัญรวบรวมอุปกรณ์แห่งการให้ทา น, นเนี่ยนะอธิฐานว่าจะต้องรวบรวมอุปกรณ์แห่งการให้ทานจะรักษาศีลจะต้องรวบรวมอุปกรณ์แห่งการ รักษาเศนรวบรวมอุปกรณ์ที่จะเจริญเนคขมามรวบรวมอุปกรณ์ที่จะทําให้มีปัญญารวบรวมอุปกรณ์ที่จะทําให้มีวิริยะมีขันติ น, นะมีสัจจ์ท่านจะต้องสมาทานรวบรวมธรมที่เป็นอุปการะต่อบารมีท่นจะต้องมีการอธิฐานอยู่ตลอดเวลาบางท่านบอกว่าอธิฐานก็คืออัตตะสัมมาปณิธินั่นแหละตั้งใจอยู่เสมอ กุศลธรรมคุณงามความดีที่เราทําทำเนี่ยนะทุกครั้งที่เราทําทำเนี่ยเกิดจากความตั้งใจที่ผ่านมาแล้วถามว่าเราต่อต่อไปนี่เราตั้งใจจะทําอะไรบ้างเแล้วก็มาเช็คเหมือนกับอะไรนะสมุดเอาสรุปเป็นว่าทบทวนหมดอ่ะนะตารางของชีวิตว่าจะต้องเจริญกุศลอะไรบ้าง อธิษฐานกุศลตัวไหนที่เราจะต้องเจริญทานนี่จะต้องให้แค่ไหนให้อย่างไรให้กับใครให้เมื่อไหรจะต้องให้วัตถุแต่ละอย่างจํานวนปริมาณเท่าไหร่อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องมีการตรวจสอบเช็คเรียบร้อยหมดแล้วตั้งใจว่าจะต้องเจริญอย่างนั้นจริงๆแล้วศีลก็เหมือนกันเนี่ยนะศีลจะต้องรักษาศีลกี่ข้อแต่ละข้อมีเนื้อหามีรายละเอียดเป็นอย่างไรอันนะอะไรเป็นความเศร้ามองเป็นความผ่องแพ้วของศีลเป็นต้นก็ เมื่อค้นคว้าหาปรับสมาทานที่จะประพฤติตามนั้นอธิษฐานสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สมาทานที่จะประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะขณะเดียวกันสุดท้ายก็คือเมื่อทำสิ่งใดก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะไม่ไม่ไม่เป ไ, ไม่เป็นคนที่เปลี่ยนใจง่ายๆเนี่ยน ะ, ะถ้าเปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญเนี่ยเปลี่ยนง่ายเร็วมากเลยทันที ฉับพลันทันทีเร็วมากถ้าเปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญแต่ถ้าเปลี่ยนจากบุญไปเป็นบาปเนี่ยยากมากเขาบอกว่าคนที่รวยจริงๆคืออะไรคือโดยมากมีแต่รับไม่ค่อยจ่ายนั่นแหละมีแต่รับไม่เคยจ่ายมีแต่รับไม่เคยจ่ายเนี่ยนะสมมติว่ารายรับวันละวันละล้านอย่างเงี้ยนะจ่ายวันละสิ บ, บาทจะจ่ายน้อยมากถ้าทําอยู่อย่างนี้เป็นหมื่นหมืนปีแล้วจะมีจนไมน่มา่านี่ก็เหมือนกันเนี่ยคนที่จะอุปการะที่จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเนี่ยนะ บุญเนี่ยไหลเข้าเทเข้ากรอกเข้าสูบเข้าอย่างเดียวเนี่ยนะแม้จะจ่ายไปเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยน้อยมากถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะประหยัดที่เขาบอกว่าเปลืองมากที่จิตเป็นอกุศลแม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นความสิ้นเปลืองเลยนะมองบาปอากุศลเป็นความสิ้นเปลืองที่เรียกว่าสิ้นเปลืองแบบอะไรนะไม่ใช่สิ้นเปลืองธรรมดานะ สิ้นเปลืองแบบที่เรียกว่านี่สินติดตามอีกบานเบอร์ัน ม, มองเห็นพิษภัยทุกโทษที่เกิดจากอากุศลทั้งหลายก็เลยสมาธานในการประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างดีและตั้งมั่นนะเรียกว่าอธิฐานบารมีอันนี้เป็นลักษณะของอธิฐานบารมีอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในอำนาจแห่งการตั้งใจสมาทานในกุศลธรรมเหล่านั้นโดยไม่หวั่นไหวเน้นเป็นอธิฐานบารมี ทำบารมีทั้งหมดเพื่ออะไรก็คือเมตตาใช่ไหมมันดูลักษณะของเมตตาว่าเมตตาก็คือการนําประโยชน์เข้าไปให้แกสัพพะสัตต์ทั้งหลายประโยชน์3นะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยช น, น, ยชน์อย่างยิ่งแล้วก็นําความสุขสุขทางกายสุขทางใจสุขในภพนี้สุขในภพหน้าแล้วก็ให้ประสบอมะตะสุขเนี่ยนะคือสุขในมรรคนิพพานกานเมตตานั้นก็คือการน้อมนําประโยชน์ความสุข ซึ่งเป็นการกำจัดความพยาบาทโดยความไม่พยาบาทไม่ถือโกรธไม่ถือเคืองไม่ถือด้วยโทสะด้วยความด้วยที่เรียกว่าบาปอากุศลแต่มุ่งน้อมนาประโยชน์และความสุขไปให้แกแกสัพพสัตทั้งหลายอย่าลืมว่าผู้ที่บำเพ็ญบารมีสมาทานประพฤติบารมีเหล่านี้ท่านมองสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลูกถามว่าบางคนเนี่ยนะอย่างลูกบางคนเนี่ย เลี้ยงง่ายไหมบอกเลี้ยงยากแต่ถามว่าถือถือโทษโกรธเคืองเขาไหมบอกไม่มีแต่ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรเท่านั้นเองจำไม่ได้เลยว่าเขามีความผิดอะไรบ้างจำได้อย่างเดียวว่าจะช่วยอะไรเขาบ้างสนใจอยู่เท่านั้นแหะผู้ที่บำเพ็ญบารมีนั้นเขามีอยู่เท่านั้นจะช่วยเขาได้อย่างไรเขาจะประสบความสุขและความเจริญได้อย่างไรอันนั้นเป็นเมตตาส่วนสุดท้ายสุดท้าย การกำจัดความเสื่อมและการเครียดแค้นด้วยอุบายในความเป็นผู้ฉลาดในกรุณาเนี่ยนะกำจัดความเสื่อมเนี่ยนะคือคือคนเนี่ยนะเวลาทํากุศลไปเนี่ยอย่างเข้าของเครื่องใช้ที่ทาทาไปเนี่ยพอทำกุศลมากๆเข้าแล้วมันเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงทาไงโดยมากมันอะไรอวบนะบางคนเนี่ยให้ทานพอให้ให้ปริมาณที่ไม่มากเนี่ยไม่เท่าไหร่พอพอให้ทานในในระดับที่ไม่มากเนี่ยนะ สบายๆ ย, ยิ้มหัวเราะมีความสุขร่าเริงเลยแหละพอให้ทานในปริมาณระดับหนึ่งเข้าไปในโอ้โหบาปอากุศลเนี่ยทะลักท่วมทับไม่รู้ว่ากุศลมันไหลมาเทมาจากไหนไม่ทราบมันห่วงแหนทันบางทีเนี่ยยิ่งทําบางคนเนี่ยทำไปจนหมดตัวเนี่ยนะพอทําเสร็จแล้วหมดตัวปั๊บก็อาไลาอาวรเสียใจในภายหลังหรือเจริญกุศลธรรมแล้วมันคล้ายๆกับว่าพอทําบุญแล้วประสบอาเพศเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จริงๆขณะที่ทําบุญเนี่ยจริงอยู่เป็นประโยคะแห่งการเจริญกุศลแต่อาจจะเป็นประโยคะวิบัติที่จะให้บาปบางอย่างให้ผลก็ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยบางคนที่ขาดอุเบกขาเนี่ยจะน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจว่าทําไมทําไมเราก็ทําบุญมาตั้งเยอะแยะทําำแต่คุณงามความดีทําแต่บุญกุศลทําไมทําไมจึงความเลวร้ายจึงตกมาที่เราอยู่คนเดียว พวกนี้ก็จะพวกนี้จะขาดอุเบกขาเนี่ยนะจิตใจก็จะตกอยู่ในฝักฝ่ายแห่งบาปและอกุศลผะะันคนเหล่านี้เขาจะไม่ไม่เขาจะกำจัดความเสื่อมเหล่านั้นออกไปหมายคือว่าไม่เก็บเอามาคิดไม่เก็บเอามาจนประทุสร้ายบุญของตัวเองคือบางคนเนี่ยนะเวลาทําบุญเนี่ยคนที่ไม่ฉลาดทําบุญเนี่ยก็เหมือนกับชาวนาที่ไม่ฉลาดสําหรับมีเขาบอกว่าโอ้การลงทุนเนี่ยมันจะต้องใช้ข้าวน ะ, ะสําหรับ หน้าฝนแล้วได้เวลาหวานแล้วเราอยากจะได้ผลผลิตเยอะๆก็เลยใช้ต้นทุนสูงมากเอาข้าวเปลือกที่มีอยู่ทั้งหมดไปหวานหมดเลยพอหวานหมดแล้วเนี่ยบอกต้นข้าวมันกาลังเจริญงอกเงยกาลังเขียวโ่มยาวมาสักครืบหนึ่งแล้วก็ไม่มีกินแล้วหมดกินพอดีเลยเพราะไอ้ต้นข้าวเรานี่นี่แหละแกทาให้ฉันอดอยากอยู่ทุกวันไอ้ต้นข้าวก็เลยดีไมด่ดีก็ถอนใหญ่เลยนะ เมื่อไหร่ก็จะให้ผลไปเที่ยวถอนแล้วก็เขย่าร้องเรียกหาผลแห่งทานถามว่าชาวนาคนนี้ฉลาดหรืองโง่เขาเพราะเป็นชาวนาที่งโง่ฉันใดคนที่ทำบุญบางคนก็ลักษณะเดียวกันเนยนะพอทำบุญเนี่ยนะบุญกุศลตัวเองกำลังเจริญแต่ตัวเองไปประสบกับวิบากในบางเรื่องอากุศลกรรมบางอย่างตามมาให้ผลก็เลยไปตำหนิ ติโทษวันนี้เพราะทําบุญได้แท้ๆก็เลยเสียหายเสื่อมมาทุกวันเนี่ยก็เพราะทําบุญให้ฐานก็คือเขาแยกแยกไม่เป็นแยกเหตุแยกผลไม่เป็นแยกบุญกุศลไม่เป็นแยกคุณงามความดีไม่เป็นเพราะแยกไม่เป็นก็เลยเพอได้รับความเสื่อมก็เลยก็เลเสียจกเสียใจหรือบางทีเนี่ยนะไปประสบกับผู้ที่เจริญสงเคราะห์กับผู้ใดแล้วเขาไม่ ไม่กระตันยูเป็นต้นเนี่ยนะไม่กระตันยูอกะกตันยูอีกต่างหากอากะกตันยูมาอะกตะเวทิตาเนี่ยนะทั้งเครียกว่าแทนที่จะเขาบอกว่าไม่ขอบคุณเฉยๆเดินจากไปก็ยังดีแต่นี้ไม่ขอบคุณแล้วยังกลับมาเหยียบเองแล้วก็เดินจากไปเนี่ยนะหมมันเครียดแค้นมากมันโกรธแค้นมากอุตสาช่วยใช่ไหมช่วยแบบพระโพธิสัตว์ช่วยพระเทวทัศตอย่างเงี้ยนะช่วยเขาเสร็จนะียนะช่วยเขารอดตายแล้วเขากลับมาทุบหัวตัวเนี่ยนะ แล้วเขาก็เดินจากไปเป็นต้นเนี่ยแหมมั น, ม น, มนอดโกรธไม่ได้นะมันก็ทําใจยากเหมือนกันพรันอันนี้ต้องเจริญอุเบกขาเนี่ยะจะต้องอุเบกขาก็ต้องทําใจจะต้องทําใจเนี่ยนะบางทีกําลังที่กําลังทํากุศลอยู่เนี่ยอกุศลมันดันมาให้ผลในช่วงนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆพันถ้าคนที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยยากที่จะรับได้ยากที่จะทําใจได้เพรันจึงกําจัด ความเสื่อมหมายคือว่าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุให้บุญกุศลเสื่อมก็กําจัดออกไปทีนี้ก็ไม่โกรธไม่เครียดแค้นต่อผู้ที่หรานั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงไม่มีไม่มีเวนตัวใจของท่านเนี่ยไม่มองผู้ใดเป็นคู่เวนท่านจะไม่เป็นนายเวนของผู้ใดทั้งนั้นแต่คนอื่นจะมองว่าท่านเป็นคู่เวนก็ชท่านแต่ท่านไม่ได้คิดว่าเขาเหล่านั้นคือคู่เวนของท่านเขาเหล่านั้นคือศัตรูของท่านจะไม่มอง นะไม่มองว่าคนทุกคนนี่เป็นศัตรูแต่จะมองว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรจริงอยู่ตอนนี้อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันมีอะไรหลายอย่างไม่ตรงกันเขาอาจจะมุ่งทำลายแต่ก็ไม่เป็นไรนนะนะคือเนื่องจากว่าท่านอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกที่ดีและก็ถูกต้องปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ท่านจึงรอเขาได้ไงพ่านจึงไม่ไม่ถือเอาโกรธไม่ถือเอาความพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นก็รอรอจนกว่าเขาจะพร้อม เมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะช่วยเขาได้ก็ช่วยไปไอระหว่างที่เขาไม่พร้อมนี่แหละเลยเจริญอุเบกขาเนี่ยนะก็ระหว่างที่เขาไม่พร้อมยังไม่พอที่จะช่วยเขาก็เจริญอุเบกขาก่อนหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะก็มีความเป็นไปสม่ำเสมอในสัตว์และสังขารทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาอันนั้นเป็นอุเบกขาเพราะคนที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะไปเจอสัตว์และสังขารที่ ไม่น่าปรารถนาเข้าก็เลิกเลิกเจริญกุศลก็มีบางทีก็ไปเจอสัตว์และสังขารที่น่าปรารถนาเข้าเลิกเจริญกุศลก็มีเนี่ยนะพราะนั้นก็ทั้งสัตว์และสังขารจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามก็ไม่เลิกเจริญกุศลเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยเลิกเจริญกุศลเพราะสังขารเป็นที่ตัวเองพอใจใช่ไหมอยากได้เช่นอยากได้รถอยากได้ บ้านอยากได้ทีวีอยากได้อะไรสักอย่างขึ้นมาก็สังขารเหล่านั้นเป็นเหตุทําลายบุญกุศลตัวเองทัหมดเลยก็มีบางคนก็ไปเจอสัตว์คำว่าสัตว์สัตว์นี่ไม่ใช่แบบไปเจอนกอะไรไม่ใช่นะเจอคนที่ตัวเองชอบใจเข้าก็เลยเลิกเจริญกุศลต่อไปก็มีเพราะทั้งเจอสัตว์และสังขารทําให้เลิกสร้างคุณงามความดีเพราะคนที่มีอาจจะต้องมีอุเบกขาอันตัวหนึ่งเพราะถ้าไม่มีอุเบกขาประคับประคองเนี่ยนะแวะนอกทางแน่ นะเวะนอกทางแห่งบารมีเนี่ยนะก็กลายแทนที่ว่าจะเดินทางใกล้โพธิญาณมากขึ้นก็เลยหันหลังกลับเลยครับนี่มันก็อันนี้จะต้องมีอุเบกขาบารมีมันอุเบกขานั้นจึงกําจัดความเสื่อมความเครียดแค้นทําความเป็นไปให้สม่ําเสมอในสัตว์และสังขารทั้งหลายทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาแต่เขาไม่ใช่โง่นะไม่ใช่โง่แบบไม่สนใจอะไรสักอย่างโง่เขลาไม่ใช่ เพราะฉะนั้นฐานบารมีจึงมีการบริจาคเป็นลักษณะมีการบริจาคเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าในบรรดาทวารหกที่รับรู้ที่เห็นมีอะไรบ้างให้ไม่ได้เนี่ยนะในทวารหกเลยนะอย่างเช่นลืมตามองเห็นอะไรบ้างที่เห็นแล้วให้ไม่ได้มนต์ทวารหูที่ได้ยินเนี่ยนะมีเสียงไหนบ้างที่ให้ไม่ได้ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายหรือสิ่งที่เราคิดถึงที่เรียกว่าสิ่งดีๆเนี่ยให้ได้หมดเลย ลักษณะนั้นก็เรียกว่าลักษณะของทานเรียกว่าน้อมไปเพื่อบริจาคเป็นลักษณะแล้วก็มีการกําจัดความโลภในทตรยธรรมเป็นรักษณะคือกิจกิจก็คือกําจัดความโลภโดยส่วนเดียวนะมันจะมีความโลภความพอใจในสังขารเหล่าใดาก็กําจัดความไม่ใช่กําจัดอารมณ์นะแต่กําจัดความยึดติดของใจที่มีต่อสัพเข้าวของหรือเรียกว่าทตรยธรรมเนี่ยนะ ดีไม่ดีคิดว่าชอบอันไหนเอาวันนั้นให้ทานด้วยซ้ําไปนี่อย่างการให้ทานเนี่ยนะอย่างถ้าอย่างอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้ที่นับถือพระธรรมตรายเป็นต้นถ้าให้ทานเนี่ยนะอย่างของที่ตัวเองติดใจมากที่สุดพอใจมากที่สุดเอาไปทําพุทธบูชานี่ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าไปบูชาในบุคคลที่เราเคารพที่สุดเนี่ยนะถ้าอย่างงี้เนี่ยทำไม่ยาก อย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไอ้กลับไปให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยนะที่ถามว่าเคารพเขาไหมบูชาเขาไหมนับถือเขาไหมบอกไม่แต่ต้องต้องให้อะ่ะจะต้องต้องสละให้ต้องให้ต้องอันเนี้ยมันทำยากกว่านี่นะทำยากจริงๆอย่างอย่างบางทีอย่างให้ลูกเป็นทาสเนี่ยถามว่ารักลูกไหมรักมากแล้วให้ใครให้ชูชกอย่างเงี้ยนะไม่ได้ยกให้แบบอะไนระถ้ายกให้ลูกแต่งงานกับคนดีมีสกุลหรื อ, อยกให้ไปเป็นาทาสเขาด้วยนะเอาไปเลยเอาไปเป็นาทาสนะ อยากได้ก็เอาไปเราไม่แต่นคนหนึ่งอะมีรักพนางมัศีเนี่ยรักมากโอก็เดินมามาขอก็เอาไปเลยเอาไปเลยอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยที่ท่านสามารถกําจัดความยึดติดในในสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆเนี่ยนะแต่พอคิดอย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าบางคนก็ไม่เห็นอะไรนะบริจาคแต่ว่าก็อย่าร้างกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมที่อย่าร้างอะทนได้ในชะ่ <laughs> ที่ทําบุญนี่ทนไม่ได้ สมมติท่าลูกให้ลูกไปเป็นทหารเนี่ยดีใจไหมบอกดีใจมากอนะว่าพอใจไหมที่ลูกไปเป็นต้นไปเป็นทหารบอกพอใจมากเลยยิ่งเป็นแม่ทัพแล้วดียิ่งดีใจใหญ่เลยใช่เสร็จแล้วไม่ได้กลับมาถ้าไม่ได้กลับมาที่อย่างนั้นทนได้ใช่ไหมแต่ถ้าให้แบบให้สละไปทําบุญเป็นต้นกลับทนไม่ได้ก็เนื่องจากวิจารณญาณของศาสตร์ทั้งหลายนั้นวิบัติแต่ว่าสรุปสรุปอนัญต์กลับมาว่าถ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านกําจัดความโลภความยึดติดใน ้ายาททำได้ท่านมีวิธีคิดจนสามารถกำจัดความยุติดแล้วสามารถที่จะอาศัยเหตุการ์เหล่านั้นจเจริญกุศลได้ทีนี้บางคนเนี่ยนะบอกโอทำไมนะพวกแบบบริวารของเขาจึงจึงยอมทําทำไมจึงยอมให้พระโพธิสัตว์ให้ทานอย่างเช่นพวกพวกสนมกำนันอะไรทั้งหลายทำไมจึงยอมให้พระโพธิสัตว์ให้ทานเป็นต้นเนี่ยทำไมจึงยอมให้ท่านเหล่านั้นให้ทาน ก็เพราะว่าท่านเชื่อมั่นว่าผู้ที่ให้นั้นช่วยเหลือท่านได้จริงๆในในตอนท้ายบางแห่งก็บอกว่ า, วายอมให้ก็เชื่อมั่นว่าคนนี้เนี่ยเอาเรามาเป็นตัวประกันใช่ไหมเชื่อว่าเออเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวยืมขอบคตัวเป็นตัวประกันหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหาทรัพย์มาแล้วจะมาไถ่คืนไถ่คืนพร้อมตั้งคืนยศคืนตำแหน่งคืนอะไรทุกอย่างให้ให้หมดเลยขอยืมเป็นตัวประกันหน่อยนะการที่ท่านเสียสละเหล่านั้นก็เหมือนกับการ ยืมเป็นตัวประกันบางอย่างที่ที่ว่าเมื่ออาศัยบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวประกันและจะช่วยเหลือเขาได้ทั้งหมดทัานบุคคลที่พระโพธิสัตว์ให้ให้เป็นทานบริจาคทานเนี่ยนะท่านช่วยได้หมดเลยท่านช่วยให้พ้นจากสังสารทุกข์ได้หมดเลยเนี่ยนะสรุปว่าจะด้วยเหตุผลใดๆท่านก็กําจัดฉันทราคะในไตรยธรรมในวัตถุทั้งหลายแล้วน้อมไปเพื่อให้ได้ทัานมี มีความสามารถเป็นปัจจุบานก็ดูอย่างที่เราเรียนกันนะทำได้ยังไงทําได้ยังไงท่านให้ได้อย่างไรเนี่ยนะในแต่ละชาติแต่ละชาติอย่างที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนั่นแหละความสามารถเหล่านั้นเนี่ยปรากฏออกมาว่าท่านทําได้จริงๆอีกในหนึ่งเขบอกว่ามีภวะสมบัติหรือวิภวะสมบัติเป็นปัจจุบานก็เนื่องจากว่าผลของการให้ของพระองค์เนี่ยทำให้ท่านเกิดใน สุขติที่ดีเนี่ยนะผลของการให้ทานเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นต้นอันนั้นเป็นผลของการให้ทานผู้ที่เพียบพร้อมเนี่ยนะไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะไม่เดือดร้อนในปัจจัยสี่เป็นต้นอันนั้นก็เป็นผลของทานนั่นเป็นอาการที่ปรากฏของการให้ทานถ้าคนไม่ให้ทานนะที่ปรากฏออกมาเป็นยังไงก็เดือดร้อนพราะความสบายความสะดวกสบายใน าจากวัตถุนั่นเป็นผลของผู้ที่ให้ทานมาดีเรียกว่าผู้ที่เดือดร้อนลําบากในเรื่องของวัตถุเป็นต้นก็เพราะให้ทานมาไม่ดีเพรันผลของการให้ทานนี้ก็คือโภกกระซับเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องวัดของผลว่าอดีตให้ทานมามาเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้ว ก, ก็ก็เห็นชัดอันหนึ่งนะเขบอกว่าคนที่มากไปด้วยโภกกระซับเนี่ยโดยมากเขาจะคิดให้กว่าคนที่เดือดร้อนในเรื่องโภกกระซับเนี่ยนะ คนที่มีพกทรัพย์เท่าไหร่จใจน้อมไปเพื่อจะให้มากเท่านั้นต่างจากคนที่กันดานในโภคทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นผลออกมาก็คือผลที่ปรากฏออกมาเพราะเป็นผลของทำมาดีหรือทำมาไม่ดีเนี่ยนะทำมามากหรือทํามาน้อยก็ชาตินี้ก็หลายๆอย่างก็วัดกันแบบเห็นๆอยู่แล้วเนี่ยนะอนาคตต่อไปบอกตัวเองได้เลยเลยพยกรณ์ตัวเองว่าชาติหน้าควรจะมีฐานะอย่างไร เป็นตัวพยากรณ์ได้เลยใช่ไหมอนาคตชาติควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคุณจะอยู่ในฐานะไหนเดือดร้อนปัจจัยสี่หรือว่าไม่เดือดร้อนเป็นต้นก็ดูเอากันแล้วกันก็ดูจากไหนก็ดูจากเจตนาที่อยู่ในใจของเรานี่แหละใจของเราน้อมไปเพื่อจะให้เท่าไรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะตรงเนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นสถานที่เพาะปลูกเห็นไหมเป็นสถานที่เพาะปลูกก็อยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่ใจของเราวิบาก ท, ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร ส่วนเหตุใกล้ก็คือมีของที่จะให้เป็นเหตุใกล้นะ ค, คนที่ฉลาดก็บอกทายังไงที่จะมีวัตถุเมื่อมีวัตถุแล้วจึงจะให้ต่อไปอนะไม่ใช่รอให้มีซะก่อนแล้วค่อยค่อยคิดให้เนี่ยนะเขาน้อมไปว่าจะให้ได้อย่างไรเพราะนนั้แต่ว่าอะไรบ้างควรให้ก็ตั้งไว้ว่าอะไรควรให้ก็สามารถน้อมไปเพื่อการให้เพราะนั้นเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะก็คือทยาธรรมทุกอย่าง อย่างบางคนเนี่ยนะเขาเาเก่งจริงเขาเห็นเขาเห็นไฟเนี่ยก็น้อมเพื่อจะให้ไฟเป็นฐานได้เขาปารถในการให้ไฟเป็นฐานเห็นดอกไม้ก็น้อมไปเพื่อดอกไม้เป็นฐานสังเกตดูนะไปที่วัดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นผลพวงจากการให้ทานทั้งหมดทุกชิ้นในวัดเลยนะเขาคิดให้ได้ยังไงเนี่ยนะแต่ละอย่างนะเรานึกไม่ออกแล้วเอ๊คิดได้ยังไงก็ไม่รู้ไปเหอะไปดูตามวัดต่างๆไปสถานที่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะที่เขาเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ย เขาคิดได้ยังไงกันก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกเลยไเฮ้ยทำไมเขาคิดได้อาคารแต่ละหลังแต่ละอย่างเครื่องประดับลวดลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างคิดกันได้ยังไงก็ไม่รู้อันนั้นก็คือวัตถุที่เกิดจากการบริจาคนั่นแหละเป็นเป็นเหตุใกล้ของการบริจาคมาต้นหรือเป็นเหตุใกล้ของทานทั้นของเราถ้าทําเองไม่เป็นก็เอาตัวอย่างเรียนแบบคนอื่นก็ได้เขาไม่มีลิขสิทธิ์อะไรหรอก อีกลักษณะหนึ่งนะพูดถึงศีลบารมีเลยว่าศีลศีล น, นั้นมีมีศีลณะะเป็นลักษณะศีลณะะเนี่ยเป็นลักษณะของศีลใช่ศีลณะะก็คือสมท า, านสมท า, านหมายถึงการไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายกายวาจาที่บาปเป็นอกุศลไม่ทะลักออกมาความที่ลักษณะกายวาจาไม่มีโทษผู้ที่มีกายวาจาไม่มีโทษเลยเรียกว่าคนมีศีลดี ถ้าทะลักออกมาขณะนั้นก็ศีลไม่ดีเนี่ยนะมันถ้าทําชั่วหนึ่งครั้งพูดชั่วหนึ่งทีก็ทําศีลตกไปแล้วเนี่ยนะทําบุญกุศลตกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่จะรักษาได้ดีต่อเมื่อใดเห็นว่ากายวาจาของตนเป็นเป็นทรัพย์เห็นว่ากายวาจาเป็นศีลเมื่อใดก็ไม่ยอมให้ ทะักออกมาไม่ยอมให้ร่วงออกมาสังเกตดูนะกระเป๋าสตางค์เนี่ยพอทำท่าดูท่าจะรั่วนหน่อยหนึ่งแหมรักษาอย่างดีใช่รีบเยบ็บรี บ, รบเปลี่ยนรีบอะไรเพื่อจะรักษาผลประโยชน์นะอยู่ตรงไหนก็รูดซิปอะไรอย่างดีเพราะอะไรเพราะกลัวตกกลัวกลัวเสียหายไปแต่ถ้าเราเห็นว่าศีลเป็นทรัพย์อย่างนั้นเมื่อใดเราก็จำระมัดระวงังแล้วก็สารวมสังวรอย่างเต็มที่ หรือศี น, นี่มีอุปทานะมีการตั้งมั่นตั้งตั้งตัวนั้นเนีย่ยแปลว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะรองรับคุณธรรมชั้นสูงรองรับบุญบารมีรองรับคุณงามความดีอย่างอื่นอีกมากมายศี น, นั้นกิจของศีลก็คือกําจัดความเป็นผู้ทุศีลเป็นกิจกาจัดความชั่วทางกายวาจาเป็นกิจของศีลส่วนสมบัติของศีลก็คือมีความไม่มีโทษเป็นสมบัติเนี่ยนะไม่มีโทษทางกายวาจาที่จะต้องตาม รักษาตามชั่ระเป็นต้นไม่มีเพราะว่ามีแต่ความไม่มีโทษส่วนความปรากฏของผู้มีศีลก็ดูว่าสะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจเนี่ยนะแต่ว่าต้องเอาคนตาดีตาตาเป็นเนี่ยนะมองไม่ใช่เอาคนแบบมองอะไรก็สกรปรกไปหมดเอาคนสวมแว่นสีดําไปวัดไม่ใช่อย่างนั้นนั้นความสะอาดนั้นความสะอาดของผู้มีศีล น, นั้นอะ่ะก็คือสะอาดทางกายวาจาและใจก็คือมีโสจายะนะ หรือมีความสุจริตใจนั่นแหละสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใ จ, จนั่นแหละเป็นอาการปรากฏของผู้มีศีลเหตุใกล้เหตุใกล้ก็คือเหตุใกล้แปลว่าเคารพตนพูดแบบในฐานะเราทั้งหลายพุทธบริษัทเนี่ยนะ <c oughs> เกรงใจตัวเองกับเกรงใจพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้มีศีล <c oughs> เกรงใจตัวเองนะั่นที่จะทําชั่วบอกเราทําชั่วอย่างนี้ได้ยังไงเกรงใจตัวเองเดี๋ยววันหลังตัวเองจะตําหนิตัวเองเกรงใจตัวเองมาก ให้เกียรติตัวเองเสมอไม่ยอมทำชั่วนั้นเป็นหิริอกเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอองบาเพ็ญบารมีกว่าจะสั่งสอนเราได้ขนาดนี้ก็เกรงใจพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นโอตะปะหรืออีกในหนึ่งก็กลัวผลดอกความชั่วที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะว่าถ้าเราทำชั่วครั้งนี้มีผลต่อไปอย่างไรการรู้เกิดความเกรงกลัวนั้นก็เป็นโอตปะพวกนี้เป็นเหตุใกล้แหงศีษ เคารพตนเคารพตัวเองเกรงใจตัวเองเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจสะพรมจารีผู้มีคุณธรรมทั้งหลายก็ทำให้ไม่ทะลักความเลวร้ายออกมาส่วนเนคข ม, มะบา ร, รมีเนี่ยนะเนข ม, มะมีการออกจากกามและออกจากความมีโชคเป็นลักษณะอย่าลืมว่าเนคข ม, มะที่ที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เห็นไหมไม่มีกินแล้วออกบวชใช่ไหศึกษาดูในพระไตรปิฎกมี ท่านหมอห้วยหมดทางไปแล้วเช่นเนี่ยป่วยมีใครเลี้ยงแล้วบวช ด, ดีกว่าเพื่อจะได้มีคนเลี้ยงหรือจนจนไม่มีอยู่มีกินบวช ด, ดีกว่าจะได้มีกินเป็นต้นเป็นลักษณะนั้นไหมบอกไม่ก็เลยเรียกว่าออกจากความมีโชคคือเป็นคนโชคดีในเรื่องปัจจัยสี่อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องการโชควาสนาเหล่านั้นอย่างที่พระนางสุเมธาบอกว่าไอ้โชควาสนาเหล่านั้นเนี่ยหม่อมฉันไม่ต้องการหรอก แตนะ่เพรา ะ, ะนั้นออกจากโชคจากวาสนาเหล่านั้นนะที่จะสมบูรณ์ภูมิสุขด้วยพัพคศเป็นตน้นหรือออกจากวัตถุกรรมนะออกจากวัตถุกรมและออกจากกิเลสกรรมออกจากวัตถุที่น่าปรารถนาหน้าพึงพอใจได้ดนะ